มักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยเช่นว่าอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีอะไรและอย่างไรจึงจะเรียกว่าชั่วอย่างไรก็ตามปัญหาเช่นนี้มีมากาเฉพาะในภาษาไทยเท่านั้นส่วนในทางธรรมะที่ใช้คำบัญญัติจากภาษาบาลีความหมายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นับได้ว่าชัดเจนดังจะได้กล่าวต่อไป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 ในการศึกษาเรื่องความดีความชั่วที่เกี่ยวกับกรรมนี้มีข้อควรทราบดังนี้ข้อที่หนึ่งความดีความชั่วณนะที่นี้เป็นการศึกษาในแง่ของกรรมนิยามและมีคำเรียกโดยเฉพาะว่ากุศลและอกุศลตามลำดับคำทั้งสองคำนี้มีความหมายและหลักเกณฑ์วินิจฉัยที่นับได้ว่าชัดเจน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 ถ้าจะใช้คำว่าคุณค่าก็หมายถึงคุณค่าโดยสภาวะไม่ใช่คุณค่าตามที่กำหนดให้ข้อที่สมความเป็นไปของกรรมนิยามย่อมสัมพันธ์กับนิยามอื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่พึงใส่ใจพิเศษคือในด้านภายในบุคคลกรรมนิยามอิงอยู่กับจิตนิยาม ในด้านภายนอกกรรมนิยามสัมพันธ์กับสมมตินิยามหรือสังคมบัญญัติข้อที่พึงเน้นก็คือในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับสมมุตินิยามจะต้องแยกขอบเขตระหว่างกันให้ชัดและจุดเชื่อมต่อซึ่งเป็นทั้งที่แยกและที่สัมพันธ์ระหว่างขอบเขตทั้งสองนั้นก็มีอยู่